ร่วมเทิดไทองค์วรการ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 ต่อไปนี้ขอ ตรงทางใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสร็จติดคุณมนชีบ แต่เค้าจะกลับมา 9 ความเดิมตอนที่แล้วเดิมตอนที่แล้ว จิมจูเห็นและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปซักถามอย่าง อะไรยิงอากิมจูเออๆๆใช่ครับเสี่ยมันเอ่อ ย่านพวกลือนี่หาเฮาใส่หัวหาคุกใส่ตัว ไม่งั้นพวกวัวเล่นงานพวกลื้อแน่ๆอย่าจริงๆไอ้ จะเอาไปจัดการกันเองน่ะฉันไงจอร์จจะทํา ไปกันเลยดีกว่า เออ... ดีกว่าเอ่อมีงานต้องแหม แต่ถ้าๆแล้วอืมอ่ะ พวกวิวดีจริงๆว่ะนั่นน่ะซีโร่คิชบรรยากาศริมน้ําอย่างเงี้ยนะโห้ย ว่าใครหรือเป็นๆ ขอโทษที่พาหมอมาได้ยินอะไรเห็นอะไรที่ทํา แต่ แล้วก็.. ทำตัวเป็นนักเลงใหญ่แล้วก็อะไรล่ะครับหมอถึงอนามัย อืมบ้านปลายฝาที ขาถ้าข่วนกันบนอะไรล่ะคะพี่หวานเปล่าจะแขะไม่มีอะไรคนไข้ของเอ่อพี่หมอเหรอคะแขะเผอเอ่อเมื่อ ได้เล่าว่าเป็นพวกนักเลงที่ค้ายาบ้ามัน ยิ่งเสียจิวน่ะมันไม่ใช่ธรรมดาแต่ๆอันช่วยกันผลักดันไม้สูง นักเลงน่ะถ้าตัวใช่แม่ เธอต้องๆได้โดยเฉพาะการๆเออถูกแล้วหนู ใช้การจัดการแบบสันติวิธีของครูใหญ่แทนคุณเขาดีกว่าการจริงด้วยค่ะการแบบสันติวิธีของครูใหญ่แทนคุณเข้า แล้วก็จะมี 1 แล ผู้เสพยาเสพติดคือผู้ป่วยเมื่อ เทียบกันหน่อยจ้ะพี่ดวงใจคะนักเรียนเข้าแถวเรียบร้อยค่ะงั้นน้อยอ่ะออกมาข้างหน้านี่ เพราะแล้วกองยาวเนี่ยนะเป็นการเรียกร้องความสนใจจากชาวบ้านเอ้าครู มานาแฮมากมั้งหลานอ้อยแหนาคที่มา 80 พรรษารวมพลังใคร แม่คือใครอยู่ข้างหลังพี่แท้ก็ครู เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคมครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมๆของน้อยร่วม เสียงไอ้อ้ายอยู่ข้างนอกวะใครก็ไล่ช่วยเอาอ๋อโบชวนเนี่ยเป็นอ่ะ แล้วอีกใบนึงอ่ะกิมจูเค้าขอเชิญประชุมชาวชุมชน เราไม่ไปกับเฮียก็ได้ไป โอเคนึกยังไงอ่ะถึงอยากจะไปประชุมที่โรง เองไม่สบายเป็นอะไรไม่สบายเป็นอะไรมินหน้าล่ะถึงดูหน้าซิดๆไม่คือเอออ้าอยู่ได้ไอ้อึ๋งว่า ฉันเอ่อชีชีแล้วหนองหไหลอ่ะอ้าวสวยล่ะสิแล้วนี่เอง เราเองจะเสียใจนะเว้ยเอ็งจะเสียใจ เด็กมากันทีนี้แล้วค่ะถ้าทางจะสนุกกันใหญ่ๆมีใครหิวน้ํากันบ้างคะ คงต้องรออ้าวนั่นๆมองๆเนี่ยสงสัย<อ> มาหาหมอน่ะเออ คือว่า... ว่าอืมไม่สะดวกตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเชิญข้างในอนามัยก็แล้วกันสะดวกตรงนี้ก็ไม่เอ้ย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 ผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะสินดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกษัตริย์ธีระบุญญฤทธิ์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนทฐานอาสาหมอกสลายที่ปลายฟ้าคุมเสียงอาธร